เทนาแผนที่81สิดลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่13บกันยายน2558มีชื่อเรื่องว่าเรียนตามธรรมชาติ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 พี่พิมพ์แจกออกไปเนี่ยสี่ 4, แสนปิ่มๆแต่ละครั้งนะสามแสนกว่าสี่แสนเอ็มพีสามก็เหมือนกันที่เอาพิม เ, เอามาแจกแต่ละครั้งวันสงวันที่ยีส่สิบเจ็ดเมษาวันออกพรรษาถึงเนี่ยวันกระทิ้นที่เราแจกไปนะเน่มันไม่ใช่น้อยบางทีตั้งเจดแปดแสนบาท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 ครั้งของมอบความไว้วางใจถ้าหลายคนนะเป็นเสียแต่น้อยคนถ้าน้อยคนถึงจะโง่เง่าเตาตุนขนาดไห น, นจะทํายังไงได้ไมันมีลูกคนเดียวนะ่ะเออก็ต้องให้มันวะอถ้าว่ามีสี่ห้าคนไม่แล้วต้องเลือกให้นี่แหละหลวงตามหาบัวก็เหมือนกันนะ่หลวงตาของพวกเราลูกศิษย์ลูกหาของท่านเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะ่ออท่านก็ยังอให้กับใครมอบให้ใคร